ตองการให้ท่านมีความสะดวกสบายปลอดภัยชีวิตจะทรัพย์สินท่านจะไม่ชอบนะท่านต้องการเดือดร้อนมีที่พึ่งทางใจหัหยไม่มีเลยเนะแตจจะหมดโอกาสอันดีงามของท่านไปอาจจะเป็นหนุ่มสาวอย่างไรก็ตามมันก็ต้องตายนี่มาคืนก็ตายดีสามศพคือสาหนาเขาขาวตายแล้วไม่จำต้องแก่ตายท่านอย่าประมาทนะ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 ที่น้องที่รักเราเป็นอุมาศกเป็นอุเบศกามาจำบวชชีพราหม์ตามวัดตามสลาวัดอย่างนี้ตามาถือว่าเข้ามาบวชในบวรลรัพุทธศาชนายึดรัตนากลายไปที่พึ่งของท่านแล้วมีครบที่สอนก็มีศีลธรรมาทิปัญญาครบแล้วแต่ท่านไม่มีศีลเพราะท่านขาดสติกําหนดมาคุยกันคุยกับเสี้ยนเอกเจงดงังท่านจะบาป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 ผมไม่เชื่บุญบาปเอาไล้โจดไว้ไม่มีลูกสาวมันก็เลยไปลูกสาวชามคนเป็นโสเพณีหมดนี่นพันเอกพิเศษนี่ขอแย่งให้ฟังสั้นๆเท่า น, น, น, นั้นบางคนไม่อาจจะไปสอนีผ่านแต่น่าจะแก้กรรมเก่าที่ทําทํามากท่านจดไว้ทุกข์ดูลงไปทําปู่ยีปู่ยามจิตกายลามโมกโสอบบกท่านจะฝากเวงกรรมไว้ให้กับลูกของท่านท่านตายจากโรคไปยังทําให้ลูกเดือดร้อนในโลกมนุษย์อีก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 ยืนหนอห้าครั้งยังทำไม่ได้แล้วท่านจะไปจุงไหนละ่ะแต่จะได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านจะไม่มีเลยเอาวันนี้มาพูดอย่างให้ท่านเขาา้าใจเพราะมาใหม่ก็เยอะแยะอาจจะไม่เขาา้าใจพูดโทรมาบ้างอละหังมาบ้างเลยจับจุดไม่ได้การเจริญสติปัฏฐาน4ีทางสายเอกของพระพุทธเจ้านี่หนึ่งระบิชาดบาจริงสองรู้ ก, กฎกติกรร ม, มั้ย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 ถ้าใครทําได้นะใช่ข้าวปอน้ำนมแม่ได้ดีที่สุดแม่กําลังตกระโรคหนีหายโลกนี่บะเนื้อนี่ผูกคอตายมาเผาที่นี่ทําบุญให้ไม่ได้เลยแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติแม่ครับช่วยนางกรรมาฐานพรมทีทาบุญอย่างอื่นไม่ได้นี่พยานหลักฐานตาบ้าตายและตองนางจะเลกรรมาฐานให้ลูกคนนั้นเึงจะได้บุญกุศลตอบแทน มันทรงลงบาปมากเหมืออคนที่มีมีทุกข์มากหรือคนติดคุกตารางที่ห้ามเยี่ยมกระรมคือมีโทษหนักค่าตัวตายยี่โทษหนักแต่นั่งกระวาสานให้ได้เลยเนียที่นี่เป็นตัวอย่างเยอะแต่ไม่เอามันนั่งกินกินจำันจะได้อะไรบางทีโยมคลอลายหมอดูเขาบอกจะตายภายในสามเดือน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 ระทางที่เสียงมาอยู่ห่างกลเนี่ยต้นเสือกไหมเสือกไหมคนใจบาปเอาหูออกไปอะมึงว่าไงกูวะมึงว่าไงกูวะก็อยู่ในบ้านถ้ดีๆไม่ได้แล้วราคามันจะได้มากแพงเนี่ยนี่มีเจ้าสาวจงสิบรุรีเขามาขอลานหนึ่งสองลานออกไปเอ๋ยเยอะก็ะรากถ น, นนนี่ตลาดนี่เองเนี่ยเจ้าบ่าวมาในคืนไอ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยไอ้หาแฟนมึงมันนั่งทะเลาะเขาเฮ้ยไม่ใช่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 ดีกว่าไปเอาเงินเขามาใช้แล้กวก็ามา่ใช่เขาถูกไหมคะนัน่นอันนี้ไปเป็นลูกสาวหลวงพ่อดา่าจะได้รวยเป็นพันล้านาใครไปรลูกสาวหลวงพ่อรวยเป็นพันล้านทุกคนนะใครไม่อยากไปรลูกสาวไม่เป็นไรเนี่ยดีไม่ดีไามา่ดีไม่เป็นไรหนูดีก็แล้วกันนี่เหตุผลขอฝากไว้แก้ปัญหาไม่ยากเลยถ้ามันคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องไปหามอดูได้ไหม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 อตาตมาเชื่อ ง, งัวถวายช่มเด็จมาออกลูกในสามตัวแล้วก็ไปบอกเข้าทั้งนั้นบอกงัวออกลูกเป็นช้างวิ่งกันมาเป็นหางเลย <c oughs> อะไรแตงัวเสียเวลาเปล่าเนม่มาจองพวกรามานานักกองฐานจะงวิ่งมาเลยเฮ้ยไปไปอีหมาอีหมาไปเฮ้ยงัวออกลูกเป็นช้างเ <c oughs> ชื่อเลย <c oughs> ก็เชื่อสินึนกว่าวิ่งมาหกลมตรงนี้กองเอาน้มามันทายเลยนี่อายุไม่มากรอยเจ็ดสิบแปด